ก็ความในพุทธวงศ์หน้าสิาต่อจากครั้งที่แล้วระหว่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจงกรมอยู่นั้นท่านพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากผู้ฉลาดในสมาธิฉลาดในฌานผู้บรรลุสาวกบารมีด้วยปัญญานะซึ่งพระโมคคัลลา น, นั้นบรรลุสาวกบารมีด้วยสมาธิฝ่ายพระสารีบุตรผู้มีปัญญาเนี่ยนะทูลถามพระผู้นำโลกว่า ข้าแต่พระมหาวีระผู้สูงสุดในนรชนอภินิหารของพระองค์นี้เป็นเช่นไรข้าแต่พระผู้กล้วกล้าพระโพธิยานอันสูงสุดของพระองค์ทรงปรารถนาในการไรทานศีลเนคคัมมะปัญญาวิริยะเป็นเช่นไรขันติสัจจะที่ฐานเมตตาและอุเบกขาเป็นเช่นไรนะก็เป็นคําถามที่ถามถึงเหตุเหตุที่ทําให้ เป็นพระพุทธเจ้าถ้าฟังดูคำถามว่าพระองค์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไรพระองค์บาเพ็ญบารมีสิบเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าอย่างไรข้าแต่พระมหาวีระผู้นำโลกบารมีสิบเป็นเช่นไรอุปบารมีเป็นอย่างไรปรามัตถบารมีเป็นอย่างไรอธิฐานเป็นอย่างไรความเป็นใหญ่เป็นอย่างไรบารมีเป็นเช่นไรพระจอมปราดในโลกเป็นอย่างไร คือเมื่อพระองค์อธิษฐานแล้วพงค์ได้รับความเป็นใหญ่อย่างไรบำเพ็ญบารมีเสร็จแล้วพระองค์เนี่ยมีสภาวะของความเป็นพระพุทธเจ้าอย่างไรเมตตากรุณามมทิตาอุเบกขาเป็นอย่างไรพระองค์ทรงบำเพ็ญพุทธธรรมหรือพุทธกัลกะธรรมเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอย่างไรนี่ก็ ดูว่าภาษาริบุตรผู้มีปัญญาเนี่ยนะเวลาถามเนี่ยถามอย่างไรเป็นคำถามของภาษาริบุตรที่ถามนี้เป็นที่มาของคำพีพุทธวงศ์เลยแหละภาษาริบุตรกราบเรียนต่อไปว่าพระองค์ผู้มีพระสุรเสียงไพเราะดังนกกระเวกท่งดับความร้อนใจปลอบประโลมลูกพร้อมทั้งเทวโลกอันข้าพระองค์ทูลถามแล้วโปรดทรงพยากรด้วยเถิด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศ ธ, ธรรมกถาพุทธจริญ น, นะพุทธจริตก็คือพุทธความประพฤติในอดีตของพระองค์ น, นะของอดีตพระชินทรพุทธเจ้าทั้งหลายที่มาถึงโดยสืบเสิบกันมาของพระพุทธเจ้าทั้งหลา ย, า ย, า เ, าลายเป็นพระพุทธวงศ์ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกในโลกพร้อมทั้งเทวโลกด้วยพระปุพเพนิวาสานุสติยานคือใช้ปุพเพนิวาสานุสติยานเป็นเหตุให้แสดงคัมภีร์ พุทธวงศ์ท่านทั้งหลายจงฟังพุทธวงศ์ที่ให้เกิดปีติปราโมทบรรเทาความโศกเนี่ยนะโศกสันก็คือโศกาดูนทั้งหลายนะความขับแค้นใจความลำบากใจจงฟังพุทธวงศ์ที่เป็นเหตุให้ได้สมบัติทั้งปวงของเราแล้วก็ใส่ใจเอาไว้เถอดให้ตั้งใจฟังพุทธวงศ์ที่พระองค์จะแสดงนะเพราะว่าพุทธวงศ์นั้นเป็นอาหารอย่างดีของปีติสัมโพชง ถ้าปฏิบัติตามที่พระองค์สอนก็สามารถที่จะดับโสกปริเทวะได้เป็นเหตุให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติพระองค์บอกว่าพระองค์จะแสดงเองละงั้นท่านทั้งหลายจงดำเนินมักเป็นเครื่องบำบัดความเมาคืออริยมักอันประกอบด้วยองค์แบันเทาความโศกเปลื้องโอฆ่าสงสารโดยเคารพเถิดอันนี้ก็เป็นข้อความในการแรกส่วนคําอธิบายในอัถกถาหน้า 150กล่าวว่าครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าอันหมู่เทพในหมื่นจักรวาลห้อมล้อมเสด็จจงกรมอยู่ด้วยพุทธาิริวิราชวิราชก็ประกาศถึงความงดงามอ่ะนะอันหาที่เปรียบไม่ได้ด้วยพระพุทธลีลาอันไม่มีอะไรเปรียบเทียบเหมือนภูเขาทองอันประเสริฐเคลื่อนที่ได้ มีพระพุทธสรีระอันประเสริฐงดงามไปด้วยพระลักษณะอันประเสริฐ32พระพุทธลักษณะเนี่ยนะมหาปริษลักษณะ32นี้อันกําลังกุศลที่สสทรงสร้างสมมาตลอดสมัยโดยใช้เวลาหาประมาณไม่ได้นะก็เจองว่าร่างกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนที่เรียกว่ามหาปริษลักษณะ32นั้นบุญกุศลสร้างสรรค์ขึ้นเนี่ยนะ ในมหาปริศลักษณะหรือปริศลักษณะสูตรในลักษณะสูตรนั้นกล่าวถึงว่าลักษณะแต่ละอย่างของพระองค์นั้นเป็นอย่างไรแล้วก็เหตุเหล่าใดบ้างที่ทำให้พระองค์นั้นประกอบด้วยพระลักษณะแต่ละอย่างแต่ละอย่างพระองค์รุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะแปดสิบมีพระเิริเวทล้อมด้วยพระสมีวาหนึ่งสูงสิบแปดศอกเหมือนดวงจันทร์เต็มดวงใน ฤดูศาสตร์แล้วก็เหมือนดอกปริชตะ ก, กะสูงร้อยยอดออกดอกบานสะพรั่งทั่วต้นถ้าพระรูปพระรูปประกายของพระองค์เนี่ยนะมีอยู่ที่ใดเราฟังคำย่อยๆว่าเกี่ยวกับสรีรักคุณเนี่ยนะย่อยๆก็คือมหาุริษลักษณะ32อนุพยัญชนะ80พระรสมีหนึ่งวา6สีอันนี้ถ้าจะจำแบบย่อว่าพระพุทธลักษณะของพระองค์เป็นอย่างนี้รูปประกายของพระองค์เป็นอย่างนี้ ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนอะไรเหมือนดวงจันทร์ในฤดูศาสตรหรื อ, รร อ, อก็คอยดูวันออกพรรษาก็แล้วกันว่าวันเพ็งก่อนออกพรรษาหนึ่งวันนะเรียกว่าวันปวารณาเนี่ยถ้าไม่มีเมฆไม่มีหมอกไม่มีอะไรแล้วดวงจันทร์งดงามอย่างใดอุปมานะพระพุทธเจ้าก็ดูงามเช่นนั้นว่าสมัยนั้นก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องเปรียบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าในความเด่นชัดนะไม่ใช่ว่าลักษณะว่า อะไรก็ตามที่เป็นข้อเปรียบเทียบหรือคล้ายหรือละไม้เนี่ยแปลว่ามันไม่ได้เหมือนแท้หรอกแต่ก็ถ้าดูดูยิ่งใหญ่เนี่ยนะเหมือนดอกปริชตตกะหรือต้นปริชตะกะดต้นทองหลางที่สูงร้อยยอดแล้วก็ออกดอกบานงามทั่วต้นไปหมดเลยภาษาริบุตรเนี่ยเห็นพระพุทธลักษณะนะเห็นพระพุทธสรีระที่ประดับด้วย มหาบริศลักษณะสาออนุพยันชนะ80รัศมีหนึ่งวาเห็นแล้วก็คิดว่าหมื่นโลกธาตุแม้ทั้งสิ้นนี้ประชุมกันแล้วในที่นี้ก็ที่ประชุมนี้ควรมีพระธรรมเทศนาการใหญ่คือพระองค์เนี่ยมาขนาดนี้แล้วพระองค์น่าจะแสดงพระธรรมพิเศษขึ้นก็พุทธวงเทศนาจะมีอุปการะมากพุทธวงนั้นนำมาซึ่งความเลื่อมใสเป็นที่ตั้งแห่งความสบายใจว่า ใครที่ศึกษาพระพุทธวงศ์นี้สบายใจแน่นอนว่าเรานับถือคนไม่ผิดโดยเฉพาะนับถือพระพุทธเจ้านั้นนับถือถูกต้องแล้วเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวงของพระองค์คือพระพุทธวงศ์พระองค์เป็นผู้มาเช่นกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ จ, จ ร, ริงๆภาษารโบตก็เลยคิดว่าถ้าการะไรเราพึงทูลถามพุทธวงศ์จำเดิมแต่พิณิหารการตั้งความปรารถนาการบำเพ็ญบรารมีของพระทศพล แล้วจึงทําจีวรเฉียงบาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าประคองอัญชลีที่รุ่งเรืองด้วยสิบนิ้วประชมกันเรียกว่าท่าสะท า, า, าสะนาท่สะนขะสมุทานเนี่ยนะสินิ้วสิบนิ้ออันรุ่งเรืองประชมกันเสมอด้วยดอกบัวตูมเกิดในน้ำวายสวยนะเมื่ อ, อไรเหมือนดอกบัวตูมเป็นดอกบัวที่ไม่มีมณฑินไม่เหมือนบัวเฉาอนะไ บัวเช้าแมงมันแตกไงเห็นคนไหว้บางคนไม่รู้ยกว่าทําไมก็ไม่รู้ไม่งามเลยเป็นบัวที่ไม่มีมนทินไม่วิกลแล้วก็ไหว้ท่วมศรีรษะเนี่ยนะทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ากีที่โซเตมหาวีระเป็นต้นซึ่งอธิบายว่าท่านพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากฉลาดในสมาธิและญาณผู้บรรลุบารมีด้วยปัญญาทูลถามพระผู้นําโลกว่า ข้าแต่พระมหาวีระผู้เป็นยอดนรชนอภินิหารของพระองค์เป็นเช่นไรข้าแต่พระองค์ผู้แ ก, กล้าพระองค์ทรงปรารถนาโพธิญาณอันสูงสุดเมื่อการไหนพระเจ้าข้าอันนี้ก็เป็นพุทธวงศ์นั้นเกิดจากคําถามเนี่ยนะเกิดจากการถามภาษาริบุตรถามพระพุทธเจ้าตอบส่วนลักษณะของคัมภีร์ทั้งหลายเนี่ยน ะ, ะสูตรแต่ละสูตรแต่ละสูตรเขาจะมีเรื่องอะจะมีการสืบต่อว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงตรัส ก็ เ, เรียกว่าอนุสนธิเนี่ยนะมีอยู่สามอย่างด้วยกันเออขอไปสี่อย่างปกติแล้วอนุสนธิมีทั้งหมดตรงนี้ยกมาเป็นตัวอย่างเท่าไหร่สามอย่างเนาะหนึ่งปุจชานุสนธิสองอาอาอัจฉริายานุสนันธิแล้วก็ยถานุสนธิสนันธินี้แปลว่าการต่ออนุแปลวะ่าตามหรือว่าการเชื่อมเรื่องจากเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งจากเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งเนี่ยนะ อย่างปุจชานุสนธิยกตัวอย่างว่าโดยพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตอบ ป, ปัญหาของผู้ถามอย่างนี้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพี่สุรูปหนึ่งก็ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฝังในเป็นอย่างไรฝังนอกเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าคือพระองค์ก็แสดงธรรมไปเรื่อยพระองค์ก็หยุดหยุดแล้วมีผู้ฉลาดคนหนึ่งเข้าถามเรื่องในนั้นเพื่อจะให้พระองค์เนตขยายความเพิ่ม เป็นการเชื่อมต่อสองส่วนเข้าด้วยกัน น, นะการเชื่อมแบบนั้นอาศัยการถามเรียกว่าปุจชานุสนธิส่วนอัจชาสยานุสนธิก็ทราบตามอัธยาศัยคือพระองค์เนี่ยเชื่อมเนื้อหาตามอัธยาศัยของผู้อื่นแล้วตรัสอย่างนี้ว่าเช่นครั้งนั้นพิสูรรูปหนึ่งเกิดปริวิตกแห่งใจอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ เขาว่าได้ยินว่าเนี่ยรูปเป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอนัตตาเออแล้วกรรมที่อนัตตาทำแล้วจักกระทบตนได้อย่างไรเออแล้วอัตตาจะรับได้ยังไงเนี่ยเมื่อทุกอย่างอนัตตาหมดเแล้วอัตตาจะรับกรรมได้อย่างไรในปุญญมสูตรเนี่ยนะมหาปุญญมสูตรเขามีพระพิสุคิดอย่างนี้จริงๆซึ่งพระองค์ก็ตรัสในท่ามกลางระหว่างนั้น อันนี้เกิดจากอัจฉาิยานุสนริอย่างที่บอกว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบปริวิตกแห่งใจของพิสูรรูปนั้นด้วยพระหฤทัยจึงทรงเรียกพิสูรทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่โมฆะบุรุษบางคนในพระธรรมวินัยนี้ไม่รู้ตกอยู่ในอวิชชาพึงสําคัญสัตุสาสตร์คำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพึงแสไปด้วยใจที่มีตันหาเป็นอธิปตไตยหมายว่าฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า เสร็จ แ, แล้วก็ตันหาเนี่ยใหญ่มากตันหาเนี่ยพาไปตันหาพาเป็นไป ต, ตันหาทํำให้คิดว่าท่านผู้เจริญเขาว่าเขาว่าคือพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาแล้วกรรมที่อนัตตาทำแล้วจะกระทบอัตตาอย่างไรและอะไรเป็นอัตตาล่ะพอมก็ถามมาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไง เที่ยงหรือไม่เที่ยงหบอกไม่เที่ยงพระเจ้าข้าเป็นต้นการเชื่อมเรื่องสืบเรื่องมาเป็นอย่างเนี้ยคือคือเกิดมีความคิดคนคิดในระหว่างตรงนั้นขึ้นมาแล้วพระองค์ก็เชื่อมเนื้อหาที่บรรยายมาก่อนกับเรื่องที่บรรยายใหม่โดยอาศัยความคิดของคนนั้นเรียกว่าอัจฉาิยานุสนริเรียกว่าเชื่อมเรื่องตามอัธยาศัยของผู้ฟังเนี่ยนะว่าเกิดมีผู้ฟังที่มีความคิดแปลกประหลาดขึ้นมาก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมต่อไป ส่วนอย่างที่ 3, ทสามเทศนาในชั้นต้นขึ้นโดยธําใดเทศนาชั้นสูงมาโดยพระสูตรเหล่าใดโดยสมควรแก่ธรรมนั้นหรือโดยคัดค้านยะฐานุสนธิเพิ่งทราบด้วยอำนาจสูตรเหล่านั้นอันนี้เรียกว่ายะฐานุสนธิเรียกว่าตอนต้นขึ้นต้นด้วยศีลทากลางควรต่อด้วยอะไรตอนปลายควรตอนท้ายที่สุดควร จบลงด้วยอะไรเป็นตน้นเป็นการเชื่อมเพราะว่าหนึ่งสูตรเนี่ยมีเรียกว่ามีหลายประเด็นแล้วแต่ละประเด็นมาเชื่อมกันได้อย่างไรการเชื่อมบางอย่างเชื่อมโดยโดยอะไรโดยยะฐานุสนธิครั้งแรกยกตัวอย่างมิจฉาทิฐิตอนหลังเอาสัมมาทิฐิมาคา้านหรือตอนแรกกล่าวถึงผู้ใดผู้หนึ่งแล้วก็ตอนจบแล้วเข้าปฏิบัติตามทำอย่างไรเป็นการเชื่อมเนื้อหานั่นเองเอาภาษาเรีบุตร เป็นผู้ถามเนี่ยนะผู้ถามภาษาริบุตรเนี่ยปัญญายะปรมิ ป, ปัตโตถึงที่สุดแห่งสาวกบารมียานด้วยปัญญาคือท่านมีปัญญาเนี่ยในการสร้างบารมีจนได้สำเร็จเป็นพระอัครสาวกภะษาริบุตรได้ถามปุชติปุชติขึ้นชื่อว่าปุชชาการสอบถามมีอยู่5อย่างด้วยกันหนึ่งอธิษฐา โชตนาปุจฉาสองทิฏฐะสังสันธนาปุจฉาสามวิมติเฉทนาปุจฉาสี่อนุมติปุจฉาสุดท้ายเกิตุกรรมมยตาปุจฉาทีในี้ในคำถามห้าประเภทอย่างห้าประเภทเหล่านี้ภาษาปุจฉาของพระเถระเนี่ยเป็นปุจฉาอะไรในห้าอย่างนะตอบว่า เหตุที่พระพุทธวงศ์นี้ไม่ใช่วิสัยของพระพเจคภูตเถ้าเจ้าผู้สร้างสมบุญยะสมผานมาหนึ่งอสงไขมาสอสงไข่กาไรแสนกลับใช่เนาะไม่ใช่วิสัยของพระปพเจคภูตเถ้าเจ้าและม่ใช่วิสัยของพระอัครสาวกทั้งสองผู้สร้างสมสมผานมาตลอดอสงไขกําไรแสนกลับคือพระปพเจงสองอสงไข่ภาษาริบุตรเป็นต้นนี้หนึ่งอสงไข หรือพระมหาสาวกที่เหลือผู้สั่งสมบุ ญ, ญสมพันธ์มาแสนกับพันคำภีพุทธวงศ์นั้นจึงเป็นวิสัยของพระสัพพันญูพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นเพราะฉะนั้นคําถามของพระสารีบุตรไม่ใช่ถามเพื่อเทียบเคียงไม่ใช่ถามเพื่อตัดความสงสัยไม่ใช่ถามเพื่อขอคําอนุมัตินะไม่ใช่ถามเพื่อจะตอบเองแต่ถามในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นวิสัยของ พระพุทธเจ้าไม่ใช่วิสัยของตัวคือภาษาเรียบุตรเนี่ยนะกีทิโสเป็นอาการถามอธิบายว่ามีประการใดเต้ก็คื อ, คอพระองค์พระพุทธเจ้าอภินิหารอภินิหารโรเนี่ยนะที่เราเรียกกันว่าอภินิหารอภินิหารแปลว่าการผูกใจเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าความหมายของอภินิหารคือการผูกใจหรือการตั้งใจที่จะเป็นพระพุทธเจ้านอนอธิษฐานความเพียร น, นอนเอานะนอนตั้งความปรารถนาะ ว่าเราไม่ได้คํำพยากา์จากพระพุทธเจ้าแล้วจากไม่ลุกขึ้นอย่างนี้ชื่อว่าพินิหารหมายว่าใครกึ่งนอนประท่วงอะ น, นะบอกว่าเนี่ยเราจะสละชีวิตถวายชีวิตแก่พระพุทธเจ้าแล้วก็นอนตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่พยาการไม่ลุ ก, กว่างัน้นอันนี้เรียกว่าพินิหารก็เลยอยากรู้จริงๆว่าพระองค์ตั้งความคิดแบบนี้เมื่อไหร่ ภาษาลิบุตรก็เกลยกล่าวว่าข้าแต่พระมหาวีระผู้เป็นยอดแห่งนรชนอภะินิหารของพระองค์เนี่ยเป็นอย่างไรเหตุการณ์ตอนที่พระองค์นอนตั้งความปรารถนาะสละชีวิตเป็นพุทธบูชานี่เป็นอย่างไรเนาะกัมหิกาเลในการเช่นไรปฏิตาปฏิตาเนี่ยปรารถนาแล้วหวังแล้วพระเถระทูลถามว่าพระองค์ทรงทำการตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ถาว่าการตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งว่ายังไงตั้งว่าเราเป็นผู้ตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราเป็นผู้พ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราโล่งใจแล้วจะให้ผู้อื่นโล่งใจด้วยเราปริญิพานแล้วจะให้ผู้อื่นปริญญิพานด้วยเป็นต้นนั่นเองตรงนั้นก็แปลไม่ดีนะตรัสรู้ เป็นพระผู้ตรัสรู้พึงพ้นเป็นพระผู้พ้นอันนี้ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นแปลว่าเราตรัสรู้แล้วพึงให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราเป็นผู้พ้นแล้วพึงให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราโล่งใจแล้วจะให้ผู้อื่นโล่งใจด้วยเราฝึกแล้วจะให้ผู้อื่นฝึกด้วยเนี่ยนะเราปรินิพานแล้วจะให้ผู้อื่นปรินิพานด้วยพระองค์คิดอย่างนี้ไว้เมื่อไหร่นอเพราะว่า ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะผลที่มันเกิดขึ้นที่เราเห็นเห็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่เกิดมาลอยๆมันต้องมีเหตุเหตุอันนั้นที่พระองค์ตั้งไว้เนี่ยตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อไหรน่น้อโพธิคือสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยนะเป็นชื่อของอรหัตตมัคคยานและพระสัพพัญยุตยานที่ถามว่าโพธิญาณอันสูงสุดคืออรหัตตมัคคญานสัพพัญยุตยานของพระองค์พระองค์ได้ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ บทนี้ภาษารีบุตรเมื่อจะทูลถามถึงธรรมะที่เรียกว่าพุทธกัรกะธรรมธรรมะที่สามารถสร้างความเป็นพระพุทธเจ้าให้สําเร็จก็เลยถามว่าทานศีนเนฆัมมะปัญญาวิริยะเป็นเช่นไรขันติสัจจะที่ฐานเมตตาและอุเบกขาเป็นเช่นไรข้าแต่พระมหาวีระผู้นําโลกบารมีสิบเป็นเช่นไรอุปปารมีสิเป็นเช่นไรปรมัทธปรมีสิบเป็นเช่นไรอันนี้เป็นธรรมะที่สร้างความเป็น พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นคุณธรรมที่หล่อล้อมพุทธภาวะให้สำเร็จเนี่ยนะแม้ถ้าไม่มีคุณธรรมเป็นตัวสร้างไม่มีคุณธรรมเป็นตัวหล่อหลอมร่างกายและจิตใจของพระพุทธเจ้าพระองค์จะสำเร็จความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อธิบายว่าการบริจาคสิ่งของภายนอกหรือวัตถุทานภายนอกตัวเนี่ยนะเรียกว่าบารมีการรักบริจาคอวัยวะ ภายในออกไปเรียกว่าอุป ป, รปา ร, aneously, ปรมีการบริจาคชีวิตเป็นปรมาถารมีการรักษาศีลโดยไม่เห็นแก่ทรัพย์ไปเรียกว่าศีลบารมีการรักษาศี ล, er, ลโดยไม่เห็นแก่อวัยวะเรียกว่าศีลอุปปารมีการรักษาศีลปปโดยไม่นนไมคํานึงต่อชีวิตเป็นปรมาถารมีเพราะนนี้เป็นตัวอย่างว่าถ้าหากว่าเจริญกุศลตัวใดโดยที่ไม่ให้วัตถุภายนอกมาเป็ น, นอันตรายนี่เรียกว่าบารมีธรรมดา แต่ถ้ามองว่าอวัยวะไม่ใช่ปัญหาคือไม่มองเห็นว่าอวัยวะเป็นตัวอุปสรรคสารอวัยวะได้อันนั้นเป็นอุป ป, ปารมีถ้าถึงขนาดว่าชีวิตไม่ใช่ปัญหายอมยอมที่จะรักษากุศลนั้นถึงจะสิ้นชีวิตก็ยอมมา น, นั้นเป็นปรมัตธาบารมีพระองค์นั้นเจริญบุญกุศลทานศีลเนคขมมะปัญญาวิรยิยขันติสัจจาที่ฐานเมตตาอุบเบกขาทั้งที่เป็นอุป บารมีอุปปารมีปรมามทัปารมีบารมีก็คือไม่คํานึงถึงวัตถุภายนอกอุปปารมีไม่คํานึงถึงอวัยวะประมามทัปารมีไม่คํานึงถึงชีวิตสละทั้งวัตถุภายนอกสละทั้งอวัยวะในที่สุดสละแม้แต่ชีวิตหลอ่อล้อมพุทธธรรมสร้างความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะและถามว่าคาถามที่สําคัญเนี่ยแต่ละอย่างเป็นอย่างไรเนา แต่และอย่างเนี่ยทาเมื่ อ, อไหรทําอย่างไรทําที่ไหนบ้างที่มาของคัมภีจริยาปิฎกเป็นต้นเพราะเหตุการณ์เดียวกันนี่แหละพระพุทธเจ้าแสดงทั้งพุทธวงศและจริยาปิฎกเนี่ยนะพุทธวงศด้วยจริยาปิฎกด้วยทีนี้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับปรมัภิปรมีปรมัภิปรมีทั้งทั้งสิบบารมีเนี่ยนะทั้งฐานะประมัภิปรมีศีล ป, ร ม, ปรมัภิปรมี เนคขมภ์ปรมัตถปรมีปัญญาปรมัตถปรมีคะวิริยะปรมัตถปรมีแล้วก็ขันตตปรมัตถปรมีสัจจะปรมัตถปรมีอธิษฐานะปรมัตถปรมีเมตตาปรมัตถปรมีแล้วก็สุดท้ายอุเบขาปรมัตถปรมีตามลําดับว่าท่านก็ยกตัวอย่างมาว่าจริงๆแล้วบารมีสิบอุปปารมีสิบปรมัตถปรมีสิบรวมบารมีสามสิบทัศนนั้น อัตภาพชีวิตของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญทานนบารมีจริ ง, รงๆแล้วนับไม่ท้วนไม่รู้ว่ากี่ชาติต่อกี่ชาติที่บำเพ็ญทานนบารมีมาไม่ใช่ว่าชาติที่แล้วเพิ่งทําบุญมาชาติเดียวไม่ใช่ทําบุญมาอย่างเนี้ยมากมายเนี่ยนะผ่านมาไม่รู้กี่ล้อกี่โกดกี่โกดกลับเมืองั้นเธอเป็นโกดกลับเลยนะจริงโกดกลับยังไม่ถึงอสงไข่นะไม่ถึงอสงไข่นั้ะพระองค์สร้างมาม า, มากเหลือเกินแต่ยกตัวอย่างให้ฟังในสร ะ, สะบัณฑิตชาดก เรื่องในกลับนี้ว่าทานบารมีของพระโพ ธ, ธิสัตว์ผู้ทําการเสียสละชีวิตเพื่อประสิตประโยชน์สละชีวิตของพระองค์เพื่อประโยชน์แก่พราหมณที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าพักกายะอุปคตังทิสวาสกกตานังปริจจชิงทานเนณะเมสมณนทีเอซาเมทานบารมีเราเห็นภิกษุคือพระอินเนี่ยนะ ที่แปลงกายเป็นพราหมณ์เข้ามาขออาหารภิกษุตัวนี้แปลว่าผู้ขอเราเห็นผู้ขอที่เข้ามาหาอาหารเราก็เสียสละตัวเองผู้เสมอด้วยเราในเรื่องการให้ทานไม่มีนี้เป็นฐานบา ร, รมีของเราคือในชาตินั้นน่ยพระองค์คิดว่าเออเนี่ยวันนี้เป็นวันอุโบสถอธิษฐานอุโบสถเสร็จแล้วคิดว่าเราจะต้องให้ทานเออเราจะเอาอะไรให้ทานเนาะ กระต่ายนี่เอาหญกตัดหญ้าไปให้คนอื่นเขาก็มีใครเอางเอาเด็เอางัน ด, ดีกว่าสละร่างกายของเรานี่แหละให้เป็นทานทําไงก็เลยถ้าบอกว่าถ้าพราหมมามาขออาหารเราจะสละให้เราพราหมณ์ก็มาจริงพอพราหมณ์มาบอกว่าพราหมณ์ท่านต้องการอาหารท่านก่อไฟขึ้นสิพราหมณ์ก็เนรมิตกองไฟขึ้นพอมันกําลังทานาแรงๆท่านก็สล ะ, ะบัณฑิตหรือกระต่ายนี่ก็กระโดดลงไป เพื่อจะให้เป็นอาหารของพรามซึ่งท่านก็ตัดใจจริงๆคือถ้าไฟแท้ก็ตายจริงละวั ง, งันแต่พอดีเป็นไฟในระมิดขึน้นท่านก็ไม่ตายแต่ว่าท่านสละจริงๆอันนั้นเป็นฐานบารมีคือคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่ว่าเป็นผู้ให้เป็นนักให้คนที่เอ่อเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้ทุกอย่าง อย่างที่มิลินธปัญหากล่าวว่าการให้ของพระองค์เนี่ยนะให้เพื่อเพื่อประโยชน์ความสุขแก่เขาแก่ชาตินี้ชาติหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะถ้าหากว่าพระองค์จะจะควักหัวใจให้เขาดูแลเขาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทาํามือนกันเถอะถ้ า, อาขออภัยถ้าเขาจะบรรลุธรรมเพราะการผ่าหัวใจของพระองค์พระองค์ก็ทําเพราะอะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราสัตย์ พระองค์จะทําทั้งนั้นเนี่ยท่านพระองค์เนี่ยจึงสละทุกอย่างเพื่อเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่เสียสละจริงๆสละขณะที่ว่าประโยชน์สุขของพระองค์เนี่ยพระองค์สามารถนั่งเสวยสุขหรือไปนั่งเ ส, สวยความสุขในเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้ไปอยู่เสวยสุขในพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้ไปอยู่ในสถานที่ที่มันสบายขนาดไหนก็ได้เข้าวิมุตติสุขอย่างใดแค่ไหนที่ไหนอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นแต่พระองค์ก็ไม่ทํา เช่นนั้นเพราะว่าทุกอย่างก็ทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเนี่ยนะเมื่อหมดหมดภาระที่จะช่วยคนอื่นแล้วพระองค์ก็สุขโตไปแล้วด้วยดีไปดีแล้วเนี่ยนะมันสละทั้งหมดเลยมันคือไม่ใช่นักสละจริงๆนน ะ, ะมันก็คงยึดติดถ้ายึดติดด้วยอันใดอันหนึ่งก็ติดในเช่นในความสุขทั้งหลายก็ไม่น้อมไปไม่ขวนขวายที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเลย ต่อไปศีลบารมีว่าอัตภาพของพระโพธิสัตว์ที่ทรงบำเพ็ญศีลบารมีนั้นนับไม่ถ้วนเหมือนกันเพราะท่านเป็นผู้ที่รักศีลมากเนี่ยนะเพราะว่าอย่างที่ว่าชีวิตไม่ใช่เป็นตัวที่ทําให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ศีลเป็นคุณธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าพรานพระองค์ต้องสละชีวิตเพื่อรักษาศีลจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพรานสละจริงๆอ ย, งย่างยกตัวอย่างในสังคปาละชาดกพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญานาค บําเพญศีละบารมีผู้ทําการเสียสละท่านตั้งความปรารถนาอย่างนี้ว่าเซลูห uh ิวินิวิชันเตโกตะยันเตปิสติสติพิโภชะปุเตนกุปปามิเอซ่าเมศีละบารมีถึงบุตรนายบ้าน จ, จะแทงะจะแทงด้วยหอกแทงด้วยเหลาตอกด้วยหอกเราก็ไม่โกรธก็คือเป็นพยางูตัวใหญ่นะเขาก็ทำไง วันนั้นไปหาสาัตว์ล่าสาัตว์ไปเห็นหนาคบอกอเอานาคก็ไปทํากับข้าวก็ได้เนี่ยนะไปกับแกล้มเหล้าก็ได้ก็เลยทิมเข้าไปทั้งเป็นๆ น, นะทิมแล้วก็ร้อยหวายร้อยได้เนี่ยจะได้ช่วยกันหามเอาไปได้นั่นนะมันก็เลยคิดว่าถึงจะแทงเราด้วยหลาตอกด้วยหอกร้อยด้วยหวายเป็นต้นใจของเราก็ไม่โกรธเพราะถ้าโกรธเมื่อไหร่ก็ตายหมดบางนะ ไ, ไม่ใช่ตายเฉพาะแค่นั้นนะที่เราว่าให้ตายหมดบางว่า โกรธไม่ได้เลยโกรธเป็นอันสัตว์อื่นตายหมดมันเราก็ไม่ยอมโกรธยอมสละชีวิตอันนี้เป็นศีลบารมีเพราะได้อธิษฐานศีลไว้แล้วว่าผู้ต้องการหนังจงเอาหนังไปเถิดผู้ต้องการเนื้อก็จงเอาเนื้อไปเถิดผู้ที่ต้องการกระดูกก็จงเอากระดูกไปเถิดเรียกว่าสมาทานศีลแบบสละร่างกายและสละชีวิตอันนั้นเป็นศีลป า, ปารมัตพารมีอันนี้หนึ่งในตัวอย่างจํานวนศีลที่พระองค์รักษานี่ยนะ เรียว่าสแสวงหาศีลจริงๆกว่าจะได้ศีลพอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยรวบรวมศีลกว่าจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เนี่ยใช้เวลาชานานส่วนเนคข ม, มะบารมีตัวอย่างอัตภาพของพระโพธิสัตว์ที่สละราชสมบัติบำเพ็ญเนคข ม, มะบารมีก็นับไม่ถ้วนเหมือนกันหมายความว่าตกอยู่ในตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่มากตําแหน่งสูงที่เรียกว่าสละยากะนะถ้าไม่ตัดหัวก็สละไม่ได้เลยแหละโดยมากเนี่ยพระองค์นี้ สละสิ่งเหล่านั้นไม่อาลัยอาวร์เหมือนก้อนเขละก้อนน้ำลายที่สามารถถ่มทิ้งได้เลยอย่างเช่นจุลสุตสมชาดกบำเพ็ญเนคขมะบารมีของพระโพ ธ, ธิสัตว์ผู้สละราชสมบัติเพราะไม่มีความประสงค์ออกบวชอย่างนี้ว่ามหารัชชังหัตถคตังเขละปินดังวชัชทะยิง จะชะโตนาโหติลักขะนังเอซาเมเนฆคัมมะบารมีเราสละราชสมบัติใหญ่ที่อยู่ในเงื้อมือเหมือนก้อนเคระนี่ะสละราชสมบัติมองเห็นสมบัติก็ไม่ต่างอะไรจากก้อนน้ําลายก้อนหนึ่งเท่านั้นเองผู้เสียสละไม่ติดข้องเลยเนี่ยนะเราเนี่ยสละราชสมบัติโดยไม่ติดข้องเลยนี้เป็นเนฆะคัมมะบารมีของเราพันสละ เรียกว่ามีจิตใจคิดว่าราชสมบัติไม่ต่างอะไรจากก้อนน้ำลายก้อนหนึ่งเท่านั้นเองสามารถที่จะจากได้มองเห็นภพสามเหมือนกับเรือนจําเท่านั้นเองเพราะมีอะไรบ้างที่ออกไม่ได้นั่นนะส่วนมองเห็นภพสาเหมือนเรือนจําคนที่อยู่ในเรือนจําก็มองเห็นราชสมบัติเท่ากับก้อนน้ําลายที่อ ม, มอยู่ในปากเท่านั้นก็เลยคายทิ้งได้อย่างไม่ลําบากอะไรส่วนบา ร, รมีข้อที่4คือปัญญาบารมีว่าอัตภาพของพระโพธิสัตว์ผู้ทรงบําเพ็ญ ปัญญาบารมีนั้นในครั้งเป็นมโหสถบัณฑิตเป็นต้น น, นะชาที่บำเพ็ญปัญญาก็นับไม่ถ้วนยกตัวอย่างในสัตตุพัตตะบัณฑิตที่พระองค์บำเพ็ญปัญญาบารมีผู้แสดงงูที่อยู่ในถุงหนังว่าปัญญยะวิจินันโตหัง่งบรมมังโมจียทุขาปัญญายะเมสโมโนทิเอสาเมปัญญาบารมี เมื่อเราพิจารณาเฟ้นด้วยปัญญาก็เลื้องทุกข์ของพรามได้ผู้เสมอเราด้วยปัญญาไม่มีนี้เป็นปัญญาบารมีของเราเนี่ยนะก็คือพรามเขาจะตายอยู่แล้วถ้าเข้าบ้านก็ตายถ้านอนค้างคืนในป่าก็ตายเสีย อ, อกเสียใจมากทํำยังไงบอกว่าถ้าเข้าบ้านแม่บ้านของเขาเนี่ยคบชู้พันก็จะวางแผนให้ถูกฆ่าทิ้งถ้าหากว่านอนอยู่ในป่าก็ต้องล้วงเข้าไปในถุงหนัง แล้วก็เอาอาหารมาก็ถูกงูกัดตาย ท, นนะทําไงอนะเทวดามาบอกว่าถ้าท่านเข้าบ้านท่านก็ตายท่านนอนค้างอยู่ในป่าท่านก็ตายก็เสียใจไม่รู้จะทำยังไงเข้าบ้านก็ตายอยู่ป่าก็ตายพระโพธิสัตว์เห็นเข้าก็เลยสงสารก็เลยแนะนําว่ามันเกิดอะไรขึ้นเล่าเรื่องอ น, นะเล่าว่างูอยู่ในถุงหนังแล้วก็แล้วก็บอกว่าพระยาเนี่ยมีชูแล้วก็วางแผนช่วยแก้ไขปัญหาครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปได้ อันนั้นเป็นปัญญาของพระองค์ที่ช่วยเหลือเขาให้เขาเ อ, อ, อยู่ด้วยโภกข้ัพย์ให้เขามีโภกท้ัพท์ให้เขามีชีวิตให้เขามีชีวิตครอบครัวที่เป็นสุขเนี่ยนะอันนี้ด้วยปัญญาของพระองค์ที่เลือกเฟ้นช่วยเหลือเกื้อกูลเขาอันนั้นเป็นปัญญาบารมีของพระองค์เนี่ยนะเพราะว่าปัญญาในที่นี้ปัญญาคือปัญญาที่ช่วยเหลือเกื้อกูลให้เขาประสบแต่ความสุขและความเจริญ